มุมมองข่าวดำเนินรายการโดยด็อเตอร์นิสากรภัยบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ด็อเตอร์คุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วนะคะเพอแคป๊บเดียวก็เข้าสู่กลางปี2562แล้วค่ะเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วนะคะในเดือนนี้นะคะก็มีวันมหามงคลนะคะก็คือวันเฉลิมพระชนพรรษาพระพันปีหลวงแล้ววันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะคะของชาวราชมงคลก็คือวันรับพระราชทานปริญญาบัตรนั่นเองนะคะ ก็จะอยู่ในช่วงวันที่19จนถึงวันที่23สิงหาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันของการรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะของชาวราชมงคลนะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่จะเดินทางไปยังจังหวัดนครนายกนะคะในช่วงนั้นนะคะก็ควรที่จะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเนื่องจากว่ามีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะ คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของสบายๆนะคะดิฉันก็จะมีเรื่องราวเทศกาลของเดือนสิงหาคมนะคะทั้งทั้งเดือนเลยนะคะมาบอกเล่าให้ฟังกันส่วนจะเป็นที่งานที่ไหนกันบ้างนะคะจะมีเทศกาลท่องเที่ยวดีๆที่ไหนกันบ้างนะคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันคะ่ะคำสั่งจากฟ้าหรือโชคชะตา ขีดเขียนให้เธอและเธอต้องมาเกลียดกันทั้งที่สายให่เชื่อมโยงสัมพันธ์เลือดคนกว่าน้าคำนี้ยังจริงอยู่ไหมต้นเหตุคือรักจักนำพาไป เป็นทางหัวใจสายใยก็ทานไม่อยู่ทั้งคู่วันนี้เลือกเป็นศัตรูแต่ใครก็รู้ความรักเลือกได้คนเดียวหนึ่งคนในนั้นเกิดมาเพื่อจะรักกัน หนึ่งคนในนั้นเกิดมาเพื่อจะเสียใจหลายคนหนึ่งถาความรักไม่พอให้ไปชาิหน้าฉันใดอย่าเป็นอย่างนี้อีกเลยคนผิดคือฉันไม่ใช่คนใด สองคนเสียใจฉันเองก็ทั้งเท่ากันเลือกเธอคนนี้ก็ทรมานเลือกเธอคนนั้นก็ไม่ซื่อสัต์กับหัวใจ ทำเท่ากันเลือเธอคนนี้ก็ทรมาเลือเธอคนนั้น ฟังเพลงเพราะๆผ่านไปนะคะดังที่เกริ่นคุณผู้ฟังได้ทราบในช่วงแรกนะคะว่าเดือนสิงหาคมมีเทศกาลท่องเที่ยวดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้เลือกเที่ยวอยู่มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีงานแสดงสินค้าต่างๆนะคะเรามาดูงานแรกเลยค่ะคืองานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่25แล้วนะคะจัดขึ้นที่ Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีค่ะหากว่าคุณผู้ฟังไปที่งานนี้นะคะก็จะพบกับบริษัททัวร์ในทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะรวมไปถึงสถานประกอบการโรงแรมรีสอร์ทรถเช่าเรือสำราญไวไฟบัตรท่องเที่ยวบัตรรถไฟอุปกรณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะมา ครบครันเลยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ตัดสินใจกันเดี๋ยวนั้นเลยนะคะว่าจะไปท่องเที่ยวกันที่ไหนนะคะพร้อมๆกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหลายประเทศก็จะนำสินค้าและเส้นทางแปลกๆใหม่ๆ ม, มาแนะนำคุณผู้ฟังค่ะงานนี้นะคะก็จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธา น, นีนะคะวันที่ 22-25 สิงหาคมค่ะ งานที่2ที่จะแนะนำก็คืองานไทยทเที่ยวไทยครั้งที่52งานนี้จัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะคะจัดขึ้นในวันที่29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนค่ะก็เช่นเคยค่ะก็พบกับงานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศมากมายรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น โรงแรมรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวอุปกรณ์การเดินทางยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวร้านอาหารเรือสำราญรถเช่าสายการบินโลคอ ส, สายการบินระหว่างประเทศนะคะก็นำมาเสนอคุณผู้ฟังนะคะแน่นอนที่สุดค่ะงานนี้นะคะก็คงจะต้องมีราคาที่น่าสนใจมาเสนอด้วยนะคะทีนี้เราไปกันที่จังหวัดสุขโขทัยกันบ้างที่นั่นก็จัดงานมินิไลท์แอนด์สาวขึ้นนะคะ โดยทางจังหวัดสุขโขทัยร่วมกับวิทยา ล, ลัยนาฏศิลป์สุขโขทัยและอุทยานประวัติศาสสุโขทัยเชิญชมการแสดงแสงเสียงที่วัดสระศีนะคะซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสสุโขทัยการแสดงนะคะเริ่มขึ้นในเวลาทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็แบ่งการแสดงนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะเป็นสองรอบก็คือวันที่10 ส, สิงหาคมและวันที่ 24สิงหาคมค่ะหากว่าคุณฟังท่านใดนะคะจะไปต่างจังหวัดนะคะในวันช่วงของวันแม่นะคะหรือว่าวันเฉลิมพระชนมพรนษาพระพันปีหลวงนะคะก็สามารถไปเที่ยวชมมินิไลแอนซ์ซาท์ที่จังหวัดสุขโขทัยได้นะคะ หรือถ้าไม่อยากไปไกลนะคะก็สามารถไปใกล้ๆกรุงเทพได้ก็คือจังหวัดกาญจนบุรีก็มีงานย้อนรอยกรุงเก่านะคะตำนานขุนแผนแดนสมรภูมิค่ะโดยนะคะในงานนี้จะต้องแต่งตัวแบบไทยด้วยนะคะและเพื่อที่จะำรำลึกประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาในงานย้อนรอยกรุงเก่านะคะก็เชิญชวนแต่งไทยนะคะ โดยจะมีกิจกรรมย้อนรอยวัดเก่าแก่กว่า20แห่งนะคะจำลองบรรยากาศตลาดทองประศรีที่จับจ่ายด้วยเงินพดด้วงชมการแสดงแสงเสียงตะกันตานะคะแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านร้อยร้านนะคะแล้วก็มีการโชว์ทาอาหารผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นนะคะงานนี้จัดขึ้นที่วัดขุนแผนตาบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ จัดขึ้นในวันที่9ถึง12สิงหาคมนอกจากนี้แล้วนะคะที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนร่วมงานปู่ไดโนเสาวตลุยพืชโบราณถิ่นล้านนานะคะงานนี้ก็จัดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมค่ะ ที่ในงานนะคะก็จะมีพืชโบราณซึ่งเป็นอาหารของไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีมีการสัมผัสไดโนเสาร์กินพืชและกินเนื้อหลายสายพันธุ์ซึ่งมีขนาดเท่าของจริงและเคลื่อนไหวได้นะคะมีการขุดกระดูกไดโนเสาร์หนูน้อยนักสืบหินแร่ผจญภัยในเขาวงกฏป่าล้านปี มีการปลูกต้นไม้รักโรกแล้วก็ทำอาหารพื้นบ้านโบราณนะคะซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถพาบุตรหลานไปเที่ยวชมกันได้นะคะเพราะว่าเด็กๆกับไดโนเสาร์นี้นะคะเป็นของคู่กันนะคะเพราะว่าเด็กๆก็อยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ค่ะ ที่มิวเซียมสยามกรุงเทพนะคะในวันที่10ถึง12สิงหาคมก็จัดงาน Amazing Premium Craft ขึ้นนะคะก็เป็นการแสดงงานฝีมือต่างๆนะคะแล้วก็มีร้านอาหารระดับมิชลินนะคะมาโชว์ให้คุณผู้ฟังได้พบกับนะคะแล้วก็มีโชว์ศิลปินที่ชื่นชอบด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะพาบุตรลามไปปล่อยไอเดียสร้างสารรค์อย่างเต็มที่นะคะก็คืองาน Amazing Premium Craft นะคะที่มิวเซียมสยาม กรุงเทพด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดสุราธานีนะคะเราลงใต้กันบ้างนะคะก็มีงานเทศกาลเงาะโรงเรียนานาสารและกิ่งกาชาดนาสารขึ้นนะคะงานนี้จะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมมาแล้วไปจนถึงวันที่12สิงหาคมที่ริมคลองฉวางจังหวัดสุราธานีนะคะมีการจําหน่ายเงาะโรงเรียนานาสารแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆมากมายนะคะอย่างเช่น การแข่งขันมอเตอร์คอร์สมวยไทยกิจกรรมปั่นไปชิมไปกิจกรรมทัวร์ส่วนเงาะและแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านนาสารค่ะลงใต้อีกสักนิดหนึ่งนะคะก็จะมีงานประเพณีพร้องต่อ ซ, ซึ่งเป็นอาภาษาของทางภูเก็ตนะคะหรือประเพณีสัตว์จีนนั่นเองนะคะมีงานตั้งแต่วันที่13ถึง29สิงหาคมที่ชุมชนในพื้นที่เทศบาล น, นครภูเก็ตนะคะมีการแห่ ขนมเต่านะคะซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์ในเทศกาลพอต่อนะคะและขบวนแหขนมเต่านี้นะคะคุณผู้ฟังจะมีในวันเสาร์ที่17สิงหาคมค่ะ แล้วก็นะคะจะเคลื่อนไปนะะโดยรอบนะคะของจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดสะดวกตรงไหนนะคะสามารถที่จะไปเที่ยวชมงานเทศกาลต่างๆในเดือนสิงหาคมได้นะคะเรียกได้ว่านะคะก็เป็นการไปพักผ่อนนะคะเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเองแล้วก็บุตรหลา น, นะคะ่ะถึงแม้ว่านะคะเราจะไม่ได้ไปต่างต่างประเทศหรือว่า ต่างจังหวัดนะคะถ้าหากว่ากลุมผู้ฟังท่านใดอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็อยากจะออกไปเที่ยวนะคะดิฉันก็จะแนะนำภูเขาทองนะคะซึ่งเป็นพุทธสถานที่โดดเด่นสูงสง่าอยู่ใจกลางเมืองหลวงนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย่านพระนครที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดนะคะสวยทั้งกลางวันกลางคืนนะคะก็ ง, งามไปอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งนะคะ ดิฉันเชื่อว่านะคะนักท่องเที่ยวคนไทยนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้นะคะหลายหลายคนก็อยากที่จะมาเที่ยวมาถ่ายรูปที่ภูเขาทองนะคะซึ่งภูเขาทองก็อยู่ภายในวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารติดกับคลองมหานาคค่ะซึ่งนะคะเป็นพระบรมบรรพศนะคะสร้างมาตั้งแต่ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สนะคะซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้สร้างพระปรางย่อ ม, มุมไม้12ขนาดใหญ่ทางทิศตะวันออกของพระนครแต่ด้วยพื้นที่บริเวณนั้นเป็นดินเลนโคลนทำให้รองรับน้ำหนักโครงสร้างไม่ไหวพระปรางจึงพังลงมานะคะ พอมาในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรโดกล้าให้สร้างใหม่เป็นรูปแบบภูเขาจำลองสูงแล้วมีเจดีย์อยู่ด้านบนแทนมีบันไดเวียนขึ้นลงสองทางค่ะพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เองนะคะเปลี่ยนชื่อจากภูเขาทองเป็นพระบรมบันพศ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์โปรดก้าวให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์ค่ะรวมความสูงจากฐานจนถึงยอดพระเจดีย์ที่77เมตรนะคะ และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาไว้ในองค์พระเจดีย์ด้วยแล้วได้มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เป็นเวลา7วัน7คืนค่ะในช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วก็ปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะกลายเป็นประเพณีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุภูเขาทองหรือว่างานวัดภูเขาทองนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังคะการเที่ยวชมภูเขาทองนี้นะคะจะต้องเดินขึ้นบันไดไปทั้งหมด344ขั้นนะคะและทางขึ้นหลักเนี่ยก็จะอยู่ติดส่วนวัดสเกต ราชบวรวิหารซึ่งก็จะมีประตูทางเข้าจากฝั่งถนนจักรพัฒิพงศ์และถนนบริพัตรสามารถเดินวนมาอย่างทางขึ้นหลักได้ค่ะและบริเวณทางขึ้นหลักก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนจำน่ายสามารถซื้อขึ้นไปไหว้พระข้างบนได้นะคะ คุณรู้ฟังคะเวลาขึ้นไปบนภูเขาทองถ้าเป็นกลางวันดิฉันแนะนำให้ใส่เสื้อแขนยาวสวมหมวกเลยว่ากางร่มนะคะเพราะว่ากลางวันเนี้ยแดดจะร้อนมากๆเลยค่ะและเมื่อขึ้นไปถึงข้างบนแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนภายในพระบรมบัรทป์ก็จะมีพระประธานก็คือพระพุทธะ นิมิตวิชิตมานโมรีสีสันเพชรบรมไตโล ก, กนาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางส่งเครื่องจกักรพรรดิสีทองประดิษฐานอย่างสง่างามอยู่ด้านหน้าค่ะพร้อมด้วยพระพุทธรูปที่สำคัญอีกหลายองค์นะคะในจุดนี้เป็นบริเวณในอาคารอากาศจัดเย็นสบายแล้วก็มองเห็นวิวได้โดยรอบนะคะ สำหรับพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะประดิษฐานอยู่บนยอดพระเจดีย์สีทองใหญ่ด้านบนสุดค่ะส่วนภายในด้านบนสุดนี้นะคะก็จะมีฐานพระเจดีย์นะคะซึ่งมีจุดให้นั่งไหว้ขอพรได้นะคะก็จะเปิดเป็นพื้นที่โล่งเช่นกัน และโดยรอบฐานพระเจดีนี้นะคะก็สามารถชมวิวกรุงเทพมหานครได้360องศาค่คะและในช่วงเวลาแดดร่มลมตกนี้นะคะก็จะสามารถเห็นวิวพระอาทิตย์รับขอบฟ้าอย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะสําหรับทางลงนะคะก็จะอยู่คนละฝั่งกับทางที่ขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ไปสวนทางกับผู้ที่เดินขึ้นนะคะซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ค่ะ คุณผู้ฟังคะงานวัดภูเขาทองก็เป็นงานวัดที่ขึ้นชื่อแล้วก็เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครนะคะงานนี้ก็จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงซึ่งก็จะเป็นงานรื่นเริงมีมหรศพดนตรีร้านค้าร้านอาหารมาออกร้านมากมายค่ะที่สำคัญนะคะอยู่ที่การห่มผ้าแดงให้กับองค์พระเจดีค่ะโดยจะมีการเปิดให้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุจนถึงช่วงกลางดึกนะคะ การแต่งกายเวลาไปเที่ยวชมภูเขาทองนะคะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะสวมกระโปรงหรือกางเกงที่ยาวเลยเข่าลงไปเสื้อมีแขนและไม่รัดรูปค่ะค่าเข้าชมนะคะคนไทยไม่ไม่ต้องเสียค่าเข้าชมนะคะแต่ถ้าเป็นชาว ต, ต่างชาติจะมีค่าเข้าชมห้าสิบบาทค่ะและวิธีที่จะมาวัด สกเกตได้นะคะอีกหนึ่งวิธีนอกจากรถเมล์หรือว่ารถส่วนตัวแล้วดิฉันแนะนำนั่งเรือนะคะมาตาคลองมหาหนาค่ะจะไปขึ้นที่ท่าเรือคลองแสนแสบที่ประตูน้ำก็ได้นะคะหรือจะมาขึ้นที่ท่าเรือโบเบก็ได้ค่ะแล้วมาสิ้นสุดที่บ้านสะพานผ่านฟ้าหลีลาดนะคะ วันหยุดนี้นะคะใกล้จะถึงนี้นะคะในวันแม่แห่งชาตินะคะสามารถที่จะไปไหว้พระทำบุญเสริมดวงเสริมบารมีชมวิวกรุงเทพได้มุมที่สวยๆนะคะก็คือภูเขาทองที่วัดสเกตค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดือนสิงหาคมนะคะก็เป็นเดือนที่สบายๆนะคะแล้วก็มีฝนตกปลายในช่วงนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟัง มาซื้อต้นไม้กันนะคะต้นไม้ที่เราจะนิยมปลูกเดี๋ยวนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่เรียกได้ว่ า, าให้ให้ให้ออกซิเจนที่ดีนะคะปลอดสารพิษนะคะสามารถจะสูดดมเข้าไปแล้วนี่นะคะก็ถือได้ว่าป้องกันฝุ่นละอองได้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต้นไม้ที่จะแนะนําต้นแรกเลยนะคะก็คือลิ้นมังกรนะคะ ก่อนอื่นนะคะดิฉันจะแนะนําคุณผู้ฟังว่าต้นไม้ที่จะแนะนําต่อไปนี้สามารถปลูกได้นะคะในกระถางที่กลางๆนะคะไม่เล็กก็ได้นะคะใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่ากลางๆก็ได้แล้วสามารถปลูกได้ในที่ทํางานหรือว่าตามคอนโดนะคะหรือว่าที่บ้านก็ได้นะคะ ต้นไม้ที่แนะนำต้นแรกคือต้นลิ้นมังกรต้นนี้นะคะมีคุณสมบัติในการที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดค่ะแล้วสามารถที่จะปลูกลงดินหรือว่าปลูกลงกระถางได้นะคะที่สำคัญนี้นะคะสามารถโดนแดดได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นแดดแรงจัดนะคะสามารถที่จะอยู่ในที่ร่มแล้วก็สามารถจะเอาไปวางไว้ในแดดแล้วก็เอากลับเข้ามาอย่างร่มได้นะคะ ประเภทที่2นะคะก็คือต้นพลูด่างต้นนี้ก็จะนิยมปลูกกันนะคะค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะตามสํานักงานนะคะหรือว่าในบ้านเรือนเพราะว่าพลูด่างนี้นะคะสามารถดูดสารพิษในอากาศเรียกว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศให้อากาศที่ดีกับคนนะคะที่ที่ปลูกด้วยนะคะในในบริเวณ น, นั้นนะคะต้นพลูด่างเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะคะก็คือในน้ํานะคะแต่สามารถที่จะเอามาลงกระถางได้นะคะ ต้นที่3คือต้นเดลีต้นเดลี่ค่ว่าคุณฟังนึกไม่ออกก็จะคล้ายๆต้นหน้าวัว น, นะคะแต่ว่ามันจะออกสีเขียวแล้วก็ดอกจะเป็นสีขาวต้นนี้ก็จะเป็นต้นฟอกอากาศเช่นกันนะคะสามารถปลูกลงดินได้นะคะแล้วก็ชอบแดดลาไรนะคะเพราะว่าเป็นพันไม้ในร่ม อ, อีกประเภทหนึ่งนะคะที่เป็นต้นไม้ในร่มนะคะก็คือต้นมอนสเตอร่าต้นนี้สวยมากเลยนะคะเพราะว่าสามารถเอาไปตกแต่งตามมุมต่างๆของบ้านหรือว่าของห้องได้ ต้นมอสเต t ร r านะคะสามารถไปตกแต่งเจกันก็ได้ด้วยค่ะใช้ฟอกอากาศนะคะแล้วก็ไม่ชอบแดดต้นยางอินเดียต้นนี้อาจจะหากว่ามันโตแล้วก็จะสูงสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณสมบัติของเขาดีมากค่ะคือช่วยดูดสารพิษแล้วก็ฟอกอากาศได้ด้วยต่อมานะคะก็จะเป็นต้นกวากมารกตต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นยาวๆนะคะใบก็จะเหมือนใบหนังกวากะะ่ะแต่ว่าเป็นสีเขียว เขียวสนิทเลยนะคะไม่มีไม่มีสีขาวๆป่าปนนะคะต้นกวางมะลกอดก็ใช้ฟอกอากาศเช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะชอบอ่าชอบร่มนะคะไม่ไม่ชอบแดดนะคะต้นไอวี่นะคะก็ช่วยลดเชื้อราต้ น, นต้นไม้ไอวี่นี้นะคะคุณผู้ฟังจะเป็นต้นไม้ที่เป็น เป็นแบบว่าลักษณะแบบปลูกแนวดิงะะ่งค่ะจะห้อยนะคะจะห้อยลงมาหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะได้ต้นไม้ที่แบบสำหรับใช้แขวนนะคะไอวี่ก็จะเหมาะเพราะว่าช่วยลดเชื้อราในอากาศได้ถึง94เรถลดอาการภูมิแพ้อาการระคายเคืองของปอดได้นะคะสามารถปลูกลงในกระถางแขวนเป็นไม้เรือได้สวยงามเลยค่ะ ต้นที่จะแนะนำต่อไปนะคะก็รู้จักกันดีก็คือต้อนว่างหันจระเข้นะคะ น, นี่ก็ช่วยฟอกอากาศแล้วก็ตัวก้านของเขานะก็สามารถเอามาปอกนะคะใช้สําหรับดูดดูดความร้อนที่เป็นผิดได้นะคะอย่างเช่นพวกเจอน้ำร้อนรวกนะคะพวกเจลของเขานะคะ ก, ก็ก็จะ เหมาะมากทีเดียวนะคะในการที่จะดูดสารพิษต่างๆนะคะแต่ว่าว่านหางโจโระเข้นี้ชอบแดดจัดนะคะคุณฟังต่อมานะคะที่จะแนะนํานะคะก็คือต้นหนวดปลาหมึกต้นนี้สวยมากทีเดียวนะคะแล้วก็ตามสวนนี่นะคะก็จะมีขายค่อนข้างเยอะนะคะต้นหนวดปลาหมึกก็จะช่วยดูดสารพิษแล้วก็ฟอกอากาศนิยมลงดินแบบผสมแล้วก็แดดดาไรค่ะ คุณผู้ฟังสามารถที่จะปลูกต้นเหล่านี้ได้นะคะในคอนโดมิเนียมในสำนักงานสามารถปลูกได้ในที่ร่มนะคะแล้วสามารถเอาไปวางโดนแดดได้นะคะเป็นครั้งคราวนะคะอีกต้นหนึ่งที่จะแนะนำนะคะหากว่าใครไม่ชอบต้นไดเลกเลกนะคะก็จะเป็นต้นหมักเหลืองต้นหมักเหลืองก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงต้นนี้นะคะก็จะช่วยดูดสารพิษแล้วก็ฟอกอากาศเช่นกันค่ะ คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปซื้อต้นไม้ที่สวนจตุจักรได้นะคะที่แนะนำสวนจตุจักรก็เพราะว่าตลาดต้นไม้นี้นะคะเขาจะเปิดวันอังคารนะคะในเวลา11โมงเช้าไปตลอดทั้งคืนแล้วก็ต่อด้วยวันพุธวันพฤหัสนะคะเปิด7โมงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นๆแล้วก็ ไปช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเพื่อที่ว่าเขาก็จะได้หานะคะต้นไม้สวยๆดีๆนะคะมาขายให้กับเรานะคะเมื่อเราเออกไปปลูกเราก็จะมีความสุขนะคะไปกับความชุ่มชื้นนะคะไปสัมผัสอ่าความชุ่มชื้นความเขียวขจีนะคะอากาศบริสุทธิ์ค่ะ พอพูดถึงความชุ่มชื้นความเขียวขจีอากาศบริสุทธิ์นะคะทำให้ดิฉันนึกถึงศูนย์การศึกษารธรรมชาติเจ็ดโคตป่งก้อนเศร้าที่จังหวัดสระบุรีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าที่นี่นี่นะคะเป็นที่ที่เรียกได้ว่าบรรยากาศนะคะสวยงามมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่ไฮไลท์ของเขาเลยก็คือริมอ่างเก็บน้านะคะเพราะว่าน้าเขาจะค่อนข้างนิ่งและบรรยากาศจะสงบแล้วที่สาคัญที่จะแนะนาคุณผู้ฟัง นะคะก็คือไปไม่ไกลนะคะจากกรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะเมื่อไปถึงนะคะเราคงจะโอแบบใกล้กรุงเทพนะคะมีแหล่งธรรมชาติอย่างนี้ด้วยหรือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปปิกนิกริมอ่างเก็บน้ำนะคะหรือว่าภาพวิวทิวทัศน์ของต้นไม้และทิวเขาที่สวยงามนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปนอนค้างคืนได้นะคะหรือว่าอาจจะไปเช้าเย็นกลับได้นะคะ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ7ดโคตปนก้อนเศร้านี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่นะคะถูกแยกออกมาให้อยู่ในความดูแลของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งสาขาสระบุรีค่ะ ทางนี้ก็เพื่ออุดมความสะดวกในการดูแลนักท่องเที่ยวจึงถูกจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสถานที่พักแรมที่คนอยากจะมาพักผ่อนทถ้ำกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ริมอ่างเก็บน้ําซับป่าว่านนะคะและดิฉันเชื่อว่าคนที่ชอบการปิกนิกการจัดแคมปิง้งการนอนในแคมป์นะคะและทําอาหารริมน้ําด้วยกันนี้นะคะก็คงจะ ชื่นชอบที่นี่มากนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีสถานที่นะคะให้ให้ใ ห, ให้ให้จัดแคมปิ้งได้นะคะเรียกได้ว่ากว้างขวางพอเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่ชอบนะคะนอนในนอนในแคมป์นะคะนอนในเต็นท์นี่นะคะก็สามารถที่จะไปนอนอย่างบ้านพักของศูนย์ได้นะคะเพราะว่ามีบ้านพักให้เลือกหลายแบบด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าคุณฟังมาถึง7จ็ดคดแล้วนะคะคุณผู้ฟังจะต้องไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนนะคะในเรื่องของบ้านพักร า, านกันเต็นนะคะรวมไปถึงนะคะบ้านพักที่เราจะเข้าไปพักนะคะรวมถึงอาหารต่างๆ การที่จะไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติหรือว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะคะเราจําเป็นที่จะต้องเคารพนะคะในกฎระเบียบที่เขาวางไว้เราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อว่าสถานที่เนี่ยจะไม่ได้สกปรกและคนที่มาท่องเที่ยวต่อจากเรานะคะก็จะได้ชมความงามของธรรมชาติไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพอทําสกปรกแล้วนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่ไม่น่ามองไม่น่าไป ที่นี่นะคะจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้าเนะคะก็จะมีกระต่ายนะคะหรือว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยเข้ามาวิ่งเล่นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยให้มัน หากินอย่างธรรมชาตินะคะแล้วที่สําคัญนะคะสิ่งที่จะนิยมท่องเที่ยวที่นี่ก็คือการขี่จักรยานนะคะรอบริมอ่างนะคะทำให้เป็นการพักผ่อนที่เรียกได้ว่าไม่ต้องขยับตัวไปไหนนะคะเราลืมกรุงเทพที่แสนวุ่นวายไปเลยนะคะมีความสุขกับความสวยงามนะคะของวิวทิวทัศน์ที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะส่วนกลางคืนนะคะก็ค่อนข้างจะสงบเงียบนะคะเพราะว่าสามทุ่มนะคะก็คงจะต้อง อาพักผ่อนแล้วนะคะเป็นการคุยเบาๆเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายๆท่านหลายๆครอบครัวเนี่ยบางครั้งก็ต้องการความสงบนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือในช่วงเช้านะคะก็จะได้สัมผัสกับสายหมอกนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพแต่เราสามารถสัมผัสตรงนี้ได้นะคะสถานที่ไม่ไกลนะคะอยู่ที่อาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนี่เองนะคะแล้วก็นะคะ หากว่าคุณฟังท่านใดที่จะนอนเต็นท์จะต้องเตรียมใหม่เองนะคะเพราะว่าทางสูนียไม่มีเต็นท์บริการแต่ว่ามีบ้านพักให้แล้วก็ต้องเสียค่าบำรุงสถานที่ให้ด้วยนะคะเขามีห้องน้ำที่สะอาดนะคะคอยบริการค่ะแล้วที่สำคัญนะคะหากว่าเราเดินทางโดยรถยนต์นะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่ ร้อยสามสิบกิโเมตรเท่านั้นเองนะคะก็จะถึงที่เจ็ดโคดป่งก้อนเศร้าค่ะแล้วที่สำคัญนะคะก็สามารถที่จะมีรถประจำทางนะคะเดินทางไปได้อีกด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดจะ ก, กางเต็นท์นอนนี่นะคะจะต้องลงทะเบียนขออนุญาตที่ศูนย์บริการ น, นักท่องเที่ยวก่อนนะคะโดยนะคะเขาก็จะกําหนดเอาไว้ว่าหลังสามทุ่มเป็นต้นไปห้ามส่งเสียงดังรบกวนหรือว่าใช้เครื่องเสียงทุกชนิดในเรื่องของอาหารนี้นะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามีร้านค้าสวัสดิการะคะ่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าสวัสดิการจะเปิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดยาวถ้าหากว่าไปวันธรรมดาจะต้องเตรียมสเสบียงมาเองไม่อนุญาตนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เตียงของเราเราก็จะเอามาวิ่งเล่นไม่อนุญาตนะคะรวมถึงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําตกปลาหรือว่าเอาภาชนะไปล้างในอ่างเก็บน้ําเด็ดขาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่เสียค่าธรรมเนียม นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะนะและที่จะแนะนำก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะเพราะว่ามองไปทางไหนก็มีความเขียวชะอุ่มนะคะแล้วที่สำคัญค่ะที่นี่นะคะมีบ้านพักให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านพัดลมบ้านเดี่ยวแอร์บ้านสี่ยูดิดแต่ถ้าเป็นเต็นต์ต้องนำมาเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของศูนย์ศึกษา 7โคดป่งก้อนเศร้าที่จังหวัดสระบุรีนะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยไม่ทราบว่าวะจะไปเที่ยวที่ไหนดีใกล้ๆกรุงเทพแต่อยากสัมผัสธรรมชาติดิฉันแนะนําที่นี่เลยค่ะสําหรับวันนี้รายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองคุณผู้ฟังหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย